รักกร่างพอสั่งร้ายรอดตนยอดเยี่ยมธรรมกายผลผ่องแผ้วเลอเลิศล่วงกุศลใดอื่นเชิญท่าน ถือเอาแก้วกล่องล่าเรื่องสกล น, นั้นก็เป็นคติธรรมจากพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรหรือหลวงพ่อวัดปากน้ําทางรายการเกริ่นนาด้วยบทประพันธ์ปริศนาธรรมของพระเดชพระคุณหลวงพ่อวัดปากน้ําเพื่อให้สาธุชนได้ตระหนักถึงการปฏิบัติ ในพระพุทธศาสนาก็ต้องขอเจริญสุขเจริญพรสาธุชนผู้กําลังติดตามรับฟังรายการธรรมะสู่สันติอยู่ในขณะนี้ปกติแล้วทางรายการจะได้นําเสนอธรรมบรรยายสู่ท่านสาธุชนเป็นประจำวันนี้ก็เช่นเคยจะได้นําธรรมบรรยายของพระเดชพระคุณพระภาวนาวิสุทธิคุณหรือหลวงพ่อพระมหาเสริมชัยชยมงคโล ซึ่งได้รับการแต่งตั้งเป็นพระราชาคณะชั้นสามัญมีพระราชินานามว่าพระภาวนาวิสุทธิคุณเนื่องในวันที่ห้าธันวามหาราชที่ผ่านมานี้เองสำหรับวันนี้ขอนำเสนอธรรมบัญญายของพระเดชคุณในเรื่องศีล ส, สมาธิปัญญาทางไปสู่ มรรคผลนิพพานซึ่งเป็นตอนที่หนึ่งเนื้อหาสาระจะเป็นเช่นไรเรื่องของไตรศิขาจะนำผู้ศึกษาและปฏิบัติธรรมไปสู่หนทางแห่งความพ้นทุกข์ที่เป็นบรมสุขได้อย่างไรขอเชิญท่านสาธุชนมาติดตามรับฟังไปพร้อมๆกันซึ่งอาตมานำมาจากบรรยากาศการอบรมพระกรรมฐาน รุ่นที่ผ่านมานี้เองขอเชิญท่านสาธุชนมารับฟังพร้อมๆกันเรื่องที่จะคุยในวันนี้ที่จริงแล้วเป็นหัวใจสำคัญของการปฏิบัติพระกรรมฐานทีเดียวเพราะว่า เรามาปฏิบัติภาวนาธรรมนั้นมีเรื่องที่เกี่ยวข้องอยู่กับศีลกับสมาธิกับปัญญากับวิมุตติและวิมุตติยานทัศนะนี่เรามาเกี่ยวข้องอยู่กับธรรมะปฏิบัติ สี่ห้าประการนี้และนี้เป็นแกนกลางเป็นหลักพระพฤติปฏิบัติธรรมในส่วนกลางเสมือนหนึ่งกระดูกสันหลังของธรรมะปฏิบัติทั้งตัวที่จะนำไปสู่มรรค ตั้งแต่โลกียมัต ก, ก็คือมักแปดนั่นแหละสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบในอริ ย, ยสัจสัมมาสังกรปรดารีชอบออกจากกามดารีออกจากความพยาบาทความเบียดเบียนผู้อื่นสัมมาวาจา วาจาชอบสัมมากรรมโตการงานชอบสัมมาอาชีวโออาชีพชอบสัมมาวายาโมเพียรชอบสัมมาสติระลึกชอบและสัมมาสมาธิความตั้งใจมั่นโดยชอบแล้วโลกียมัคนี่แหละ ก็จะเจริญขึ้นเป็นอริยมรรคและอริยผลและนิพพานต่อไปในที่สุดเพราะฉะนั้นศีลสมาธิปัญญาวิมุตติวิมุตติยานทัศนะนั้นจึงเป็นแกนกลางของธรรมปฏิบัติของผู้ศึกษาและปฏิบัติธรรมทุกท่านที่จะดำเนินไปสู่ ผลทางแห่งมัจถึงอริยมักย์อริยผลและนิพพานได้และด้วยอาการนั้นที่ว่าเป็นวิมุตต์ก็คือหลุดพ้นจากกิเลสเพราะฉะนั้นธรรมะปฏิบัติใดๆที่เราก้าวเข้ามาณสถาบันแห่งนี้หรือที่ไหนๆก็ตาม หรือแม้แต่เราเก้าวเข้ามาสู่ในร่มผ้ากาสาวพัดเราก็ตั้งใจบำเพ็ญตนที่จะกาจัดกิเลสโดยมีนิพานเป็นที่ไปในเบื้องนาหรือที่เรียกว่าเพื่อจัดทานิพานให้แจ้งทุกวินาทีทุกลมหายใจเข้าออก ของพระภิกษุซึ่งมีสติตั้งมั่นอยู่ในธรรมะปฏิบัติจึงเป็นไปเพื่อศีลสมาธิปัญญาวิมุตต์และวิมุตติยานทัศนะทั้งสิ้นเรียกว่าตลอดชีวิตตลอดเวลาแต่ถ้าเมื่อไรที่สติของเรานั้นห่างออกไป ก็แปลว่าจิตใจของเราก็ดีความประพฤติปฏิบัติทางกายทางวาจาของเราก็ดีก็ทะเลเฉยไฉออกไปนอกเส้นทางแห่งมรรคผลนิพพานส่วนอุบาสกอุบาสิกาและสามเณรก็ดำเนินตามพระสงฆ์ไปในแนวนั้นด้วยเหมือนกันที่นี้ในการปฏิบัติ ศีลสมาธิปัญญาไปถึงมิมุติมิมุติยานทัศ น, นะเราเกี่ยวข้องอยู่กับธรรมะปฏิบัติสำคัญเรื่องศีลนั้นยกไว้เป็นอันทราบกันดีว่าพระสงฆ์ก็มีพระวินัยพุทธบัญญัติ ส่วนสามเณรอุบาสกอุบาสิกาก็มีศีลสิบศีลแปดศีลห้าเป็นหลักซึ่งก็เข้าใจดีเป็นความประพฤติปฏิบัติเพื่อสำรวมระวังกายวาจาให้เรียบร้อยดีไม่มีโทษแต่ส่วนสมาธินั้นมีเรื่องหรือมีคำที่มาเกี่ยวข้องอีกคำหนึ่งที่ชื่อว่าสมถะ ส่วนปัญญานั้นมีเรื่องหรือคำหนึ่งมาเกี่ยวข้องด้วยชื่อว่าวิปัสนาเพราะฉะนั้นเรามาปฏิบัติธรรมที่นี่กล่าวถึงสิกขาสะเรามาปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาเฉพาะในส่วนของสมาธิปัญญานั้นก็มีอีกคำหนึ่ง ที่ใช้กันเป็นที่ทราบกันโดยทั่วไปในมูนักปฏิบัติธรรมคือสมถะและวิปัสสนากรรมฐานและยังมีอีกคำหนึ่งนิมิตนิมิตนี่ก็เข้ามาเกี่ยวข้องในเรื่องของทั้งสมถะหรือสมาธิและทั้งวิปัสสนาด้วย เข้ามาเกี่ยวข้องอย่างไรเพราะคำตรงนี้ก็มีโต้เถียงกันมากในพระไตรปิฎกก็ดีในวิสุทธิมรรคก็ดีเรื่องมิมิตรมีคำกล่าวอยู่แต่คำกล่าวเหล่านั้นให้ข้อสังเกตว่ามิได้ ให้ปฏิเสธนิมิตคือเห็นนิมิตแล้วสลัดออกไม่ใช่นิมิตเป็นขั้นตอนของสมถะและก็เป็นเครื่องมือที่จะนำไปใช้เพื่อพิจารณาให้เกิดปัญญาที่เรียกว่าวิปัสสนา ถ้ายังนี้แล้วก็ถูกตรงตามความมุ่งหมายของธรรมะปฏิบัติที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงแสดงไว้ชัดแจ้งในเรื่องของสมถะหรือสมาธิในเรื่องของวิปัสสนาซึ่งอาศัยนิมิตเป็นเหตุเป็นปัจจัยอย่างหนึ่ง เข้าไปเกี่ยวข้องให้สมาธิตั้งมัน่นนี้ตอนหนึ่งเมื่อสมาธิตั้งมั่นแล้วอาศัยนิมิตคือสังขารนิมิตนั่นเองเป็นปัจจัยใช้พิจารณาสภาวธรรมเมื่อพิจารณาสภาวธรรมแล้วจึง จะเกิดปัญญารู้แจ้งในสภาวะธรรมนั้นและด้วยปัญญาอันเห็นแจ้งในสภาวะธรรมนั้นไปถึงเห็นแจ้งในอริยสัจเป็นอริยมรรคอริยผลแล้วเนี่ยช่วงนั้นแหละเป็นช่วงที่ละปัญหาสมุทัยเหตุแห่งทุกข์และละนิมิต ที่ชื่อว่าสังขารนิมิตไปสู่ความเป็นธาตุล้วนธรรมล้วนซึ่งไม่จัดว่าเป็นนิมิตนี้คือธรรมะปฏิบัติจริงๆที่พระพุทธองค์ได้แสดงเอาไว้มีไปลักษณะอย่างนี้แต่ว่าในพระไตรีิดก มีเรื่องที่ควรพิจารณาไว้ข้อหนึ่งว่าไม่ได้มีลักษณะที่เป็นตำราที่เขียนขึ้นสัมพันธ์กันเป็นขั้นเป็นตอนเหมือนตำราที่มาเขียนกันขึ้นในภายหลังแต่พระพุทธวจนะก็ดีหรือคำของพระอรหรันต ที่ได้ถูกรวบรวมเข้ามาเป็นพระวินัยปิฎกพระสุตตานตปิฎกพระพิธรรมปิฎกนั้นมีเรื่องราวที่กระจัดกระจายกันอยู่ในปิฎกทั้งสามแล้วเมื่อมีการสังคายนา พ, พระไตรปิฎกขึ้นจึงไม่มีการรวบรวมพระพุทธวจนะและคำของพระอรหันต แบ่งออกเป็นกลุ่มพระธรรมหนึ่งพระวินัยหนึ่งแล้วในภายหลังในส่วนพระธรรมก็แบ่งเป็นพระสุตตันตปิฎกหนึ่งพระอภิธรรมปิฎกหนึ่งจึงมีสามปิฎกเนื้อความไม่สัมพันธ์กันเป็นเรื่องเป็นราวเหมือนกับตำราตำราทั่วไปผู้อ่านผู้ศึกษาเนี่ยได้ความรู้ เป็นสัจธรรมทั้งสิ้นแต่ว่าคนอ่านแล้วจบแล้วแม้จะอ่านไปจนจบอาจจะบรรลุธรรมก็ได้หรือไม่บรรลุธรรมก็ได้เพราะความเข้าใจในเนื้อหานั้นก็เป็นความเข้าใจที่กระจัดกระจายกัน แต่สำหรับผู้ปฏิบัติธรรมด้วยศึกษาเอกสารหลักฐานในพระไตรปิฎกด้วยสัมพันธ์กันทั้งภาคปริยัตและปฏิบัติได้รับผลเป็นปฏิเวทแล้วตามสมควรแก่ธรรมจะประกอบความรู้ทั้งหลาย ที่เรียกว่าพระธรรมและพระวินัยนั้นเห็นสัมพันธ์กันหมดไม่มีตอนหนึ่งตอนใดขัดกันเลยและธรรมะดังกล่าวนี้ก็จะอุบัติขึ้นในใจของ ผู้ที่ทรงคุณวุฒิต่างๆซึ่งมีอยู่มากมายหลายท่านแล้วแต่บุญบารมีของผู้ใดจะมีมากน้อยเพียงใดก็จะสามารถเห็นเข้าโครงของธรรมปฏิบัตินั้นได้ด้วยความถูกต้องเที่ยงตรงตามสมควรแก่ภูมิธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งพระเดชพระคุณหลวงพ่อวัดปากน้ำเป็นพระเถระรูปหนึ่งซึ่งได้ศึกษาในทางปฏิบัติศึกษาในหลักปริยัตท่านศึกษาแล้วนะกระผมได้ยินมาว่าความรู้ในทางพระบาลีของท่าน เทียบได้กับป ร, ริยนเจดประโยคกระผมได้ยินว่าอย่างนั้นแต่ท่านไม่สอบเอ า, เอาป ร, ริยนทำท่านเรียนรู้เฉยๆแล้วท่านก็ปฏิบัติเรียกว่าบวชมาปฏิบัติเลยเชียวสมถาวิปัสสนากรรมฐานใครว่าครูที่ไหนดีท่านศึกษาแล้วท่านก็ปฏิบัติ จนกระทั่งท่านได้บรรลุถึงธรรมกายแต่ว่าจะเป็นธรรมกายอาริยมรรคอริยผลเพียงใดนั้นสุดที่กระผมจะกล่าวได้เพราะว่าภูมิธรรมของกระผมนั้นน้อยเต็มทีที่จะไปวัดไปอย่างว่าท่านถึงขั้นไหนแล้ว แต่ว่าธรรมะที่ท่านแสดงออกมาเป็นพระธรรมเทศนาก็ดีสอนสิทธยานุสิตทั้ทงวิชาธรรมกายเบื้องต้นเบื้องกลางเบื้องสูงก็ดีสุขุมลุ่มลึกละเอียดประณีตยิ่งนักยากที่จะได้พบได้เห็นณที่ใดและโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระธรรมเทศนาของหลวงพ่อวัดปากน้ำนั้น ไปอ่านดูเถอะคั้วพระบาลีกำกับแปลเป็นภาษาไทยอธิบายเป็นธรรมะปฏิบัติที่เข้าไปพบไปเห็นตลอดหมดทั้งหลักปริยัติปฏิบัติและปฏิเวทตลอดไปหมดทีเดียวและธรรมะของหลวงพ่อนั่นแหละที่ได้ค้นพบ ไม่ใช่คนพบของใหม่หลวงพ่อคนพบธรรมกายนะของเก่าของพระพุทธเจ้าซึ่งมีอยู่ในพระไตรปิฎกจึงแน่ชัดว่าในสมัยพุทธกาลนั้นมีผู้ปฏิบัติถึงธรรมกายกันเป็นปกติแต่ก็อย่างที่เจ้าพระคุณสมเด็จพระธิรยานได้กล่าวไว้ในวันเปิดการอบรมว่า ภายหลังจากนั้นก็ไม่ค่อยปรากฏเห็นผู้ปฏิบัติสั่งสอนในแนววิชาธรรมกายของพระพุทธเจ้าอีกโดยเฉพาะอย่างยิ่งจะว่าในประเทศไทยเราเนี่ยในระยะร้อยสองร้อยปีที่ผ่านมา หรือแม้ 300-400 ่ปีก็แล้วแต่ที่มีในประวัติศาสตร์ก็ไม่เคยปรากฏชัดเจนว่ามีท่านผู้ใดปฏิบัติแล้วนำเอาวิชาธรรมกายของพระพุทธเจ้าเนี่ยออกมาเผยแพร่เพราะฉะนั้นการค้นพบของพระเดชพระคุณหลวงพ่อ เราจึงใช้คำว่าค้นพบค้นพบในสิ่งซึ่งผู้ปฏิบัติพระศาสนาด้วยกันเนี่ยยังไม่พบหรือยังไม่ปรากฏชัดแจ้งว่าได้มีการพบแล้วนำเอามาเผยแพร่แต่เป็นสิ่งที่มีอยู่ในพระไตรปิฎกซึ่งแน่ชัดว่ามีปฏิบัติแน่ๆเป็นธรรมกายแน่ๆในสมัยพุทธกาล หลังพุทธกาลนี้มาก็ใช่ว่าจะาคนไม่มีเลยก็คงจะไม่ใช่คงจะมีเหมือนกันแต่ว่าการเอามาเผยแพร่อย่างชัดเจนอย่างนี้ในยุคที่เราพอรู้ความได้เนี่ยก็มีแต่หลวงพ่อวัดปากน้ำและภายหลังที่ท่านมรณภาพไปก็โดยคณะศิษยานุสิตนี่เอง ธรรมะปฏิบัติตามแนววิชาธรรมกายนั้นมาดูเอกสารหลักฐานในพระไตรปิฎกที่เกี่ยวด้วยศีลสมาธิปัญญาวิมุตติวิมุตติยานทัศน็ดีที่เกี่ยวด้วยสมถะและวิปัสสนากรรมฐานก็ดีและแม้กระทั่งที่เกี่ยวด้วยการทานิพพานให้แจ้ง หรือนิมิตใดๆก็ดีถูกต้องตรงกันหมดทุกประการรับกันหมดไม่ขัดกันซึ่งเราเคยได้ยินบางสิ่งบางอย่างที่เขาสอนขัดกันแต่ตามแนววิชาธรรมกายนี่เห็นว่าไม่ขัดกันสิ่งที่ว่าขัดกันที่เคยได้ยินนั้นมีอะไรบ้าง ยกตัวอย่างนิดเดียวซึ่งเป็นหัวใจสำคัญหัวเลี้ยวหัวต่อของธรรมะปฏิบัติด้วยสิ่งนั้นก็คือคำอธิบายของผู้รู้ในยุคปัจจุบันที่ว่าสัพเพธรรมะอนาัตตามีหลายท่านมากท่านที่ตีความว่าธรรมชาติทั้งหลาย ทั้งที่ประกอบด้วยปัจจัยปรุงแต่งและที่ไม่ประกอบด้วยปัจจัยปรุงแต่งหรืออีกในหนึ่งทั้งสังขารและวิสังขารมิใช่ตัวตนแต่พอไปอธิบายเรื่องวิพานไปอธิบายเรื่องธรรมชาติที่ไม่เกิดแล้วไม่เป็นแล้วอันปัจจัยปรุงแต่งไม่ได้แล้วกระทำไม่ได้แล้วพระไตรปิฎกยืนยันว่ามีอยู่ ชักออกไม่ถูกซะแล้วสิไม่รู้จะออกไปทางไหนเพราะอสังกตธาตุอสังกั ต, ร ธ, ต, กตรธรรมหรือวิสังขานี่มีอยู่เออก็ไหนว่าอนัตตานี่ขัดกันข้อหนึ่งขัดกันแน่ๆนะฮะและแถมพระพุทธเจ้านี่ยังสำทับไว้ด้วยนะธรรมชาตินี้เป็นสภาพลึก เห็นได้ยากตรัสรู้ตามได้ยากเป็นธรรมละเอียดประนีตคิดเดาไม่ได้คืออย่างด้วยตักกะไม่ได้ใช้อาศัยเหตุผลธรรมดาไม่ได้แต่เป็นวิสัยที่บัณฑิตพึงรู้นี่พระพุทธองค์ทรงสแสดงไว้เป็นในยะอย่างนี้เอาเถอะร้อยทั้งร้อยนะยากนะัก ที่จะอธิบายสองจุดนี้ให้รับกันได้และยังมีพระไตรปีดกปรากฏชัดเจนในเรื่องของอพระยะมกดังที่กระผมได้เคยนำมากล่าวแล้วว่ายะทะนิจังตังทุกขังสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นแลเป็นทุกเป็นทุกเพราะทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้ ใครเข้าไปยึดด้วยตัณหาและทิฏฐิก็เป็นทุกข์ยังทุกขังต่างอนาตาสิ่งใดเป็นทุกข์สิ่งนั้นแหลมิใช่ตัวตนสุขโผปุณณะอุจโยการสั่งสมบุญนำมาซึ่งความสุข ขอเชิญสาธุชนผู้สนใจในการศึกษาและปฏิบัติธรรมร่วมฝึกปฏิบัติภาวนาธรมธรมชาระจิตใจให้ผ่องใสบําเพ็ญศีลสมาธิและปัญญาณศนะาลาอนเนกประสงค์วัดหลวงพ่อสดธรรมกายารามวัดหลวงพ่อสดธรรมกายารามในสถาบันพุทธภาวนาวิชาธรรมกาย อำเภอดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีเปิดโอกาสให้สาธุชนผู้สนใจทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมพิเศษในการบำเพ็ญบุญกุศลที่สำคัญคือการรักษาศีลการฝึกนั่งสมาธิการเจริญจิตตะภาวนาแผ่เมตตาและรับฟังธรรมบรรยายซึ่งกิจกรรมมีเป็นประจำทุกวัน ตั้งแต่เวลา18นาฬกา30นาทีถึง20นาฬา30นาทีเป็นต้นไปสนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ประชาสัมพันธ์วัดหลวงพ่อสดธรรมกายรามหมายเลขโทรศัพท์032 254 650และ253 352 กดต่อสองได้เป็นประจำทุกวันขณะนี้สาธุชนกำลังติดตามรับฟังรายการธรรมสูตรสันติที่จบไปนั้นก็เป็นธรรมบัญญายของประเดศพะคุณพระภาวนาวิสุทธิคุณ ในเรื่องศีล ส, สมาธิและปัญญาทางไปสู่มรรคผลนิพพานซึ่งเป็นตอนที่หนึ่งสำหรับธรรมะบรรยายเรื่องนี้ยังมีอีกทั้งหมดคือรวมทั้งหมด4ตอนยังเหลืออีกอยู่3ตอนซึ่งทางรายการก็จะทยอยนำมาสู่ท่านสาธุชนเพื่อที่จะได้รับความรู้เกี่ยวกับการประพฤติปฏิบัติในหลักของไตรสิกขาคือศีล สมาธิและปัญญาอันเป็นทางไปสู่ความพ้นทุกข์เข้าถึงซึ่งบรมสุขคือมรรคผลนิพพานนั่นเองสำหรับวันนี้รายการธรรมะสู่สันติก็หมดเวลาลงเพียงเท่านี้ขอเชิญท่านสาธุชนโปรดติดตามรับฟังสารธรรมจากทางรายการได้ในครั้งต่อไปก่อนจากกันขอท่านผู้ฟังทุกท่าน จงเป็นผู้มีแต่ความสุขความเจริญคิดประสงค์จำนงหมายสิ่งใดที่เป็นไปในทางที่ชอบประกอบด้วยธรรมขอให้สิ่งนั้นจงพลันสำเร็จจงพันสำเร็จจงพลันสำเร็จทุกประการเถือนเจริญพร